เปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นที่ดีกว่าจะทำให้ลูกรู้สึกพ่ายแพ้คนอื่นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเขาเองที่เคยดีกว่าจะทำให้ลูกรู้จักเอาชนะตัวเองสมัยนี้เดินไปถามใครเห็นมีแต่คนรู้มีแต่คนบอกถูกว่าการเปรียบเทียบลูกกับเด็กอื่นเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําแต่เพราะอะไรถึงไม่ควร อายากที่ตอบได้และเอาข้อจริงพอถึงตาตัวเองที่บรรดาลอารมณ์อยากเปรียบเปลอยพ่อแม่เกินรึงมักหลุดเห็นลูกใครเก่งอัจฉริยะเห็นลูกใครน่ารักน่าหยิกเห็นลูกใครช่างพูดน่าชื่นใจแล้วหันมามองลูกตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะโพลงลอยลมเข้าหูลูกบ้างหรือกระทั่งละเมิดกติกาที่ตัวเองรู้เต็มอกบ้างคือวันดีคืนดี ก็พูดใส่หน้าลูกจังๆว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นบ้างคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าพูดกรอกหูลูกทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกรู้ตัวอีกทีก็อาจต้องแบกรับภาระที่ลูกกลายเป็นวัยรุ่นอารมณ์เหวี่ยงสุขเกินจริงทุกเกินจริงสามวันดีสีวันไข้และเป็นผู้ใหญ่ที่ทนทำงานที่ไหนไม่ได้นานต้องแ บ, บมือขอตังค์จากคุณไปตลอดชีวิต ุณไม่รู้หรอกว่าถ้าจำกติกาแม่นไม่เคยเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนไหนเลยแล้ววันหนึ่งเบรกแตกเผลอปล่อยมัดเด็ดสอยลูกค้างลูกเต็มเปาเอาแค่ครั้งเดียวขอแค่ครั้งเดียวจี่จี้จุดนอกถูกความรู้สึก ด, ดีๆเกี่ยวกับชีวิตและตัวตนของเขาอาจพังทลายหายสูญไปในพริบตาแม้อุตสาห์สร้างสมานับสิบปีดีๆอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าลูกจะมีปัญหาแค่ไหนเป็นปมฝังแน่นเพียงใดขอแนะนำให้รู้ซะแต่วันนี้ไม่ต้องดูจากตำราไหนเอาตัวอย่างของจริงที่เห็นเห็นอยู่รอบตัวคุณเถอะหรือจะเอาแบบใช้ตัวเองเป็นเครื่องประจักษ์ก็ได้ย้อนนึกระลึกไปถึงครั้งยังเด็กยังอยากได้คำชมจากผู้ใหญ่ยังต้องการภูมิใจในชีวิตนี้ที่ไม่เคยรู้ว่าเกิดมาทาไมเวลามีใครชมเล็กๆน้อยๆ ความพอง อ, อกพองใจมันผลักดันให้ทำอะไรดีๆได้แค่ไหนแล้วตอนครูดุดา่าเรื่องทำกันบ้านผิดกับตอนพ่อแม่ติเตียนเรื่องตัวตนอันไหนมันสบร้อนและเจ็บลึกกว่ากันแล้วเคยโดนไหมบอกว่าไอ้ลูกคนนี้ไม่ไดีเรื่องทำไมไม่เห็นเหมือนลูกคนอื่นบ้างอยากแลกลูกกับเพื่อนชั้นลอเกินจําได้ไหมว่าคุณหน้าเศร้าเปนานขนาดไหนและหันไปเล็งตามองลูกคนอื่นท่าใด ความรู้สึกต้อยต่ำราคาต่ำไม่สามารถเป็นอะไรได้เท่าคนอื่นรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีใครต้องการคือที่มาของอาการก้มหน้าเก็บกดคิดมากเจ้าปัญหาขาดความมั่นใจในตัวเองก้าวร้าวออกมาจากส่วนลึกกี่อิจฉาริษยาออกมาอย่างตื่นเขินค่อยๆ่ยตขึ้นแบบมีปัญหากับสังคมและที่สุดของที่สุดคือมีความรู้สึกเป็นศัตรูอยู่ลึกๆ ก, ก, กับพ่อแม่ ถ้าบังเอิญลูกมีความเป็นอจฉริยะอยู่ในตัวกุณฑาจไม่มีวันได้เห็นความเป็นอจฉริยะนั้นและถ้าบังเอิญลูกมีความน่ารักน่าพิศวาสเฉพาะตัวกุณฑอาจไม่มีสิทธิ์พบเจอความน่ารักนั้นเลยเพราะชาตินี้ทั้งชาติของเขาจะถูกบดขยี้จนบีบแบนด้วยตุ่มถุงแห่งความใจน้อยเก็บกดแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจไม่ล่วงรู้จนมันตายว่าที่แท้ชีวิตเขามีค่ากับโลกได้ยิ่งกว่าที่คิดแค่ไหน อากอ้างว่าเปลื่ยไปเพราะอยากให้ฮืดสู้ให้ลูกอยากเอาชนะคำศพประมาทก็ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องของคนโตโตแล้วที่ได้ยินคำศพประมาทเชิงท้าทายท้ารบจากคนอื่นไม่ใช่เด็กน้อยที่ได้ยินคำศพประมาทเชิงดูถูกดูแคลนจากพ่อแม่ตัวเองเพื่อจะไม่เผลก่อเรื่องไม่สร้างปัญหาให้กับลูกและตัวเองในระยะยาวดยรูเท่าไม่ถึงการ ให้สังเกตอารมณ์อยากเปรียบเลยเต็มแก่เห็นให้ได้ว่าโทสะจะเริ่มก่อตัวกลายเป็นแรงดันคับอกความไม่ได้อย่างใจจะเข็นขอให้ขมวดคิ้วนิ้วหน้าก้มมองลูกเหมือนตัวเหม็อนอะไรสักตัวแต่ก่อนจะเผลอหลุดปากในตั้งสตินิดหนึ่งบอกตัวเองว่าโอเคจะระบายออกมาบ้างมีงั้นอัดอันจุก อ, อกตายแน่เทว่าแทนการยกเอาเด็กอื่นมาเปรียบ เอาตัวลูกเองในวันก่อนที่ดีกว่านั้นมาอ้างอิงถึงหรือมาทำให้นึกได้ว่าเขาเคยดีได้มากกว่าที่กําลังเป็นถ้าลูกถูกกระทบกระเทียบเปรียบเทียบกับตัวเองบ่อยๆผลจะร้ายจะดีเขาก็ถูกโปรแก ร, รมให้สู้กับตัวเองเทียบตัวเองระหว่างวันนี้กับเมื่อวานถ้าจะไม่ได้อย่างใจก็ไม่ได้อย่างใจที่เมื่อวานทําได้ดีกว่านี้มิใช่ไม่ได้อย่างใจ แล้แดันไปอิจฉาคนอื่นที่เหนือกว่าตนและรู้สึกว่าตนเองถูกปิดประตูสู้จากเงื้อมเงาของอะไรก็ไม่ทราบแท้จริงแล้วเงื้อมเงาลึกลับที่ว่านั้นก็คือคําสบประมาทของพ่อแม่ที่คุ้มกะลาหัวเข้ามาแต่อ่อนแต่ออกนั่นเอง